เราเข้ามาในวันแรกเมื่อหกวันที่แล้วนะครับเราก็เริ่มต้นเปิดจิตคือพุท ธ, ธะก็ต้องยอมรับว่าทุกคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะในสิ่งที่ได้ยินแต่เมื่อกี้ผมเปิดไปเนี่ยท่านทั้งหลายก็เริ่มเข้าใจ ส่วนจะแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วละ่ะสักยภาพของแต่ละคนแต่ผมเชื่อว่าพื้นฐานที่ท่านได้ยินแล้วสามารถเข้าใจอะไรได้เพิ่มขึ้นจากเดิมก็จะทำให้เป็นบรรทัดฐานเป็นบันไดนะครับเป็นบาดเป็นฐานสู่การปฏิบัติที่ตรงเข้าสู่เป้าหมายนะครับตรงเข้าสู่จุดหมายปลายทางอันเป็นที่หวัง ของทุกทุกท่านแล้วของสัตว์โลกทั้งหมดทั้งที่รู้แล้วก็ไม่รู้แต่จะแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับท่านะไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมว่ารู้เรื่องหรือเปล่าผมก็ทำหน้าที่หมดภูมนะิแล้วหมดแนละ้ว มีแค่เนี้แบตไตทหมดแล้วเราอยู่กันก็เหมือนกับพี่พี่น้องน้องนะครับเป็นเพื่อนร่วมเดินทางเวลาพูดอะไรให้ฟังก็เหมือนกับพี่น้องร่วมสำนักพี่น้องร่วมสำนักไม่ได้เคยคิดเป็นอื่น มีอะไรก็เล่าให้ฟังเหมือนกับเล่าให้สิทธิ์น้องฟังอย่างเงี้ยสุภกิจเนี่ยผมมีอะไรก็เล่ากันตรงๆไม่ค่อยมีอะไรปิดบงังไม่เคยเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวธรรมหรืออะไรเนี่ยเพราะมันไม่ได้มีใครจะต้องการอะไรจากใครอยู่แล้วก็แค่เล่าให้ฟังหรือว่าบางครั้งเห็นอะไรนั่นก็เอาสุภกิจมาใช้เป็นหนูทดลองก่อน ก่อนที่จะออกไปสอนใครนะผมก็จะให้ไ hey, หนะลองไปทําแบบนี้แบบนี้นะพอผ่านไปสามเดือนก็จะเช็คผลเอาใช้ไม่ได้เว้ยเอ๊ะทําไมใช้ได้ทําไมเราทําได้ทําไมเขาทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก่อนที่ยาจะออกมาสู่ตลาดก็อ <c oughs> หนูนี่ก็ตายไปหลายตัวแล้วนะครับแล้วบางครั้งก็ทําเขาเจ็บปวดเหมือนกันผมจําได้ครั้งหนึ่งผมให้ก็ดูอัตราแล้วก็ทุกข์มากเลย แต่เขาไม่รู้ตัวแต่ผมเห็นแล้วกขทุกข์เกินผมบอกให้เลิกเลิก <laughs> เลิก <laughs> เพราะว่าช่วงนั้นจิตเขยังไม่ตั้งมัน่นมันไม่สามารถพอเห็นอัตราตัวเองแล้วมันรู้สึกเกลียดชังตัวเองเพอเกลียดชังตัวเองเนี่ยจิตมันไม่สามารถตั้งมั่นขึ้นมาลอยอยู่เหนือ น, นั้นขึ้นมาได้มันลงไปจมมันเลยกลายเป็นทุกข์กับการกระทาของตัวเองพอเห็นอาตาัตรา จึงรู้แล้วว่าไม่เหมาะกับผู้ที่จิตยังไม่ตั้งมัน่นมันรู้สึกขยะแขยงตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่ไหวสู้ปล่อยให้ไม่รู้ไปก่อนแต่ไปรู้ตัวอื่นแทนไปเห็นที่อนิจจังแทนก่อนที่จะมาบอกสอนก็ทดลองเพราะว่าจิตก็ชอบพูดว่าพี่เอาตัวพี่เป็นตัววัดเดิก <laughs> เอาผมนี่เป็นธรรมชาติของทุกคน <laughs> เขาชอบพูดอย่างนี้ก็เลย